สปัจจุปนนาติตะวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลจักขายตนาโมลกไหนายัยเจอนุโลมปุชชจฉาจักขายตนะของบุคคลใดกําลังเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิเศษชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดเคยเกิด จักขายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิสชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจักรูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จักระยตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรูเกิดได้กําลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและจักขายตนะก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉา จักขายตนะของบุคคลใดกําลังเกิดคานายตนะและลูปายตนะและมนายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาธรมายตนะของบุคคลใดเคยเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจักรคู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักู่เกิดได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลนั้นเคยเกิดและจักขายตนะก็กำลังเกิดจักขายตนะมูลกนัยจบคานายตนะมูลกนัย อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดกําลังเกิดปรูปายตนะละมานายตนะละธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดเคยเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ ธัรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและคานายตนะก็กําลังเกิดคานายตนะมูลกายนจบรูปลายตนะมูลกไยนิจอนุโลมปุจฉารูปลายตนะของบุคคลใดกําลังเกิด มานายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดเคยเกิดรูปายตนะของบุคคล น, นั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กําลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด แต่รูปายะตะนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีรูปเกิดได้กําลังอุบัติธรรมายะตะนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและรูปายะตะนะก็กําลังเกิดรูปายะตะนะมูลกนัยจบมานายะตะนะมูลกนัยเจอนุโลมปุจฉามานายะตะนะของบุคคลใดกําลังเกิด ธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจาชนาใช่ปฏิโรอมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดเคยเกิดมนายตนะของบุคคล น, นั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจาชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเกิดได้ กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและมะนายตนะก็กําลังเกิดมนายตนะมูลกนัจบอนุลมโอกาสจักขายตนะมูลกนัยิบสอนุโมลมปุจฉาจักขายตนะในภูมิใดกําลังเกิดโสตายตนะในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ อนุโลมปุกคโลกาตจะขายัตนะมูละกนัย75อนุโลมปุจฉาจะขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดโสตายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิจะขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่โสตายัตนะไม่เคยเกิด บุคคลนอกนี้ผู้มีจักรู่เกิดได้กำลังอุบัติจักขายยตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกาลังเกิดและโสตายตนะก็เคยเกิดปฏิรมปุจฉาโสตายตนาของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจักขายยตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนะบุคคลผู้กำลังจุตีจากปัญจโวการภูมิ และบุคคลผู้มีจ mig, ักร <jour ns> คู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิโสตายยตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่จักระยตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรคู่เกิดได้กําลังอุบัติโสตายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจักระยตนะก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักระยตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิด คานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัชนาะบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิจะขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่คานายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้มีจักู่เกิดได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิจะขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกาลังเกิดและคานายตนะก็เคยเกิด ปฏิโลมปุชชาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจากขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จากขายาตนะไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้มีจักรเกิดได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจักขายาติณะก็กำลังเกิดอนุโลมปุชชจฉาจักขายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดรูปลายญาติณะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาะบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิ จักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่รูปายัตนะไม่เคยเกิดบุคคลนอกน oh ี้ผู้มีจักขู่เกิดได้กําลังอุบัต UM ิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและรูปายัตนะก็เคยเกิดปฏิโรมปุจฉารูปายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจักขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหม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 อนุรลมปุจฉัลจะขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดมนายัตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชฉาบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิจะขายัต an amin, an first, นะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มนายัตนะไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรคู่เกิดได้กําลังอุบัติจะขายัตนาของบุคคลเหล่านั uh ้นในภูม um ินั um ้น กำลังเกิดและมานายตนะก็เคยเกิดปฏิโลมปุจรฉามานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดจากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโบการะภูมิบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรู ป, ปรภูมิ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 บุคคลผู้กําลังอุบัติในสุดทาวาสภูมิจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรคู่เกิดได้กําลังอุบัติจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและธรรมายตนะก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด จากขายัตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัรณาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจักรคู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติธรรมายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่จากขายัตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรคู่เกิดได้กําลังอุบัติธรรมายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและจากขายัตนะก็กําลังเกิด จักขายตนะมูลกะนในจบขานายตนะมูลกันใน76ิอนุโลมปุจฉาขานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนะใช่ปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด คานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชณาบุคคลผู้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในปู่มนั้นเคยเกิดและคานายตนะก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในปูมิใดกำลังเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในปุ่มใดเคยเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม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 บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นเคยเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นเคยเกิดและคานายตนะก็กําลังเกิดคานายตนะมูลกันไอจบ รูปายตนะมูลกายนัย77อนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดมานาายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจชะนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและอสัญญัตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มานาายตนะไม่เคยเกิด บุคคลนอกนี้ผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมานายตนะก็เคยเกิดปฏิโลมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจชนะนาบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิ และบุคคลผู้บัติอยู่ในอรูประภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่รูปลายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและรูปลายตนะก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉารูปลายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด ธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นในปุ่มนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิตัชนะบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นกำลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีรูปเกิดได้กำลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในปุ่มนั้นกำลังเกิดและธรรมายตนะก็เคยเกิด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 ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและรูปายตนะก็กําลังเกิดรูปายตนะมูลกายนจบมนา ย, านายตนะมูลก า, นายน 7.8 อนุโลมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติ ในสุทธาวาดภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต Somehow, e the ่ธรรมายตนะไม่เคยเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจิตเกิดได้กำลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและธรรมายตนะก็เคยเกิดปฏิโดมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด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 มานายาตนามูลกไานจบปัจจณีกับบุคคลจักขายญาตนะมูลกไายนิจอนุโลมปุจฉาจักขายญาตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตายาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาโสตายาตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิด จักขายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดมีไหมวิจัชนะไม่มีอนุโลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดคานายัตนาละบรูปายัตนและมนายัตนาละธรรมายัตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนะเคยเกิดปฏิโลมปุจฉา ทัมายตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิดจักขายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิจาชนาะไม่มีจักขายยตนะมูลกไนจบจักขายยตนามูลกไน80อนุโลมปุจฉาคานายตนาและรูปายตนาและมนายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิด ธรรมายตาตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตาตนะของบุ ค, คคลใดไม่เคยเกิดมนายตาตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีปัจจณีกัโอกาสจักขายตาตนาโมระไงแปดสจักขายาตนาในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดละ ปัญจจีกะปุกคโลกาดจักขายตนะมูลกานัยแปอนุโลมปุจฉ่จาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัชชาบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการาภูมิและบุคคลผู้มีจกักขูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิ จักขายัตนะของบุคลนนล ค, เคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสตายัตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทาวาดภูมิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสตายัตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉา โสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจะขายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาะบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จะขายตนะมิใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิ บุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิโสตายตะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจักหายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดคานายตาณะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้กำลังจุดติจากกามาวจรภูมิ แลบุคคลผู้มีจักรเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่คานายตนะมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กําลังจุติจากบรูปาวจรภูมิบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและคานายตนะก็ไม่เคยเกิด ปฏิโลมปุจฉาคานายตนะ ข, ของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจะขายายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชชาบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จะขายายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กาลังจุติจากปรูปาวจรบุคคล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 บุคคลผู้มีจักรเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่รูปายัตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอรูปภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและ รูปายตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจะขายายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จะขายายตนะมิใช่ไม่กำลังเกิด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 บุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิบุคคลผู้มีจากผู้เกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอรูปภูมิจกขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนายัตนะมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในสุทาวาตภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิ จักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในปุมินั้นไม่ใช่กาลังเกิดและมนายาตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมบุจฉ้ามนายาตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กาลังเกิดใช่ไหมวิจชะนาบุคคลผู้กาลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิมนายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภุมินั้นไม่เคยเกิดแต่จักขายัตนะไม่ใช่ไม่กาลังเกิด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 บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจักรคเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจักขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ธรรมายาตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทาวาตภูมิจักขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและธรรมายาตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉา ทำมายตาตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจกขายญาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทาวาสภูมิทำมายตาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จะขายญาตนะมิใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทาวาสภูมิ ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจักขายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดจักขายตนะมูลกายนิจจบคานายตนะมูลกายนิจแปอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดรูปลายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิจัชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากกรมมวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัตในกรมมวจรภูมิและบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่รูปายตนะมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทธาวาสภูมิและอรูปภูมิ คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชชาใช่อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กาลังเกิด มานายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจาชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มานายตนะมิใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิและอสัญญสัตตภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมานายตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจาราใช่อนุโลมปุจฉา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 คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในปูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและธรรมายตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในปูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่คานายต น, นาโมลกนาจบรูปลายต น, นาโมลกนาอิ 84. อนุรลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในอรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มานายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิรูปลายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนายตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดรูปลายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตัชชนาะ บุคคลผู้กำลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิและอสัญญสัตตภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา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 รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและธรรมายตนะก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาสภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด แต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทาวาสภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดรูปลายตนะมูลก า, นายนิจจบมนายตนะมูลก า, นายนิจดสิบห้าอนุโลมปุจฉา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 แต่มานายตระนัมิใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมานายตระนัก็ไม่ใช่กําลังเกิดมานายตระนมูลกไยนิจจบ